กล่าวว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณญิงจะมีแต่สมณศักยธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณีย์เหล่าอื่นผู้มีความละอายมีความระมัดระวังใฝการศึกษาก็มีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักสมณญิงเหล่านั้นคําว่าภิกษุณีนั้นได้แก่ภิกษุณีผู้กล่าวอย่างนั้น คำว่าอันภิกษุณีทั้งหลายได้แก่ภิกษุณีเหล่าอื่นภิกษุณีทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนว่าแม่เจ้าท่านโกรธไม่พอใจก็อย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาศิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสักยัติดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นผู้มีความละอายมีความระมัดระวัง ไฟการศึกษาก็ยังมีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสมณะหญิงเหล่านั้นดังนี้แม่เจ้าท่านจงยินดีเถิดพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอบัตทุกกด ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวต้องอาบัตรทุกกฎภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงนำมาท่ามกลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่าแม่เจ้าท่านโกรธไม่พอใจก็อย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าที่ฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณหญิงจะมีแต่สมณศักยธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือ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 พึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสะละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สะละต้องอาบัตทุกกฎภิกษุณีนั้นอันทรงพึงสวดสมรภาพ